พระบัญญัติ527้อก็ภิกษุใดาทาเตียงหรือตัง้งหุมนุ่นต้องอบัตปาจิตตีที่ชื่อว่าอุทธาลน ก, กะเรื่องพระชพะคีจบ